จบสุรยอดวันน <mercury> e ี้นะครับสุรยอดที่เแปถึงแปดสปอ็อายะอ่านฟังฟังกันเลยนะอ้าวบิลลาฮิมินอิลาิรรีมว่าอินน้าลกละนตีอลายม قال ربي ف, ف أ ن, ن ظ ر ن ي إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضارين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغل ل أغري أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لا أمل أن نجاهنما منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل لا ما أسألكم عليه من أجل ว َمَا أنا أ َ ن ا من المتكلفين ََ إنه هو اللَّهِ كُلِّ العالمين ولا تعلم ا َ ن ب أ ه بعد حين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و ن ع و ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئات ي أعمالنا م ن يهده الله فلا مضلل ه و م ن يضلل فلا هادي له وشر ه د ن ل ا إله إلا الله وحده لا شريك له ش ه ่ ه ช د ด أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ و َ رسول อัลลอฮุ بِكَ ن َศะเพะหนาแลَบิ ك َมสัยหนาและบิกา و ะฮียาและบิกาِามَุุไว้แลَวกัَนุชูอั ن ลอฮุมะบิกาลิมัติอัลลอฮิตามะติมินชัริม ا ฮَลลาบิสมิَลาฮ م ลลาดิลลาญัตุรุมาอัลมِฮิชัยบุมฟิลَาร์ดุวะลาฟิสลามะวะฮุสัมิยุลอาลิม رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أصب وبك أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل ش د د بح بح د د ي قدير أسبحنا وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يحيي يقيوم برحمةك أستغيس อัลัยหลีสานีก็เล่าหัวแัสดพี่น้องที่ร่วมมัสมัส i d u n a ที่คอนเทตแพี่น้องที่ติดตามรายการ นะครับตับเซลอุราณที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่าน <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราหยุด <c oughs> ที่หยุดไม่ใช่กลัวโรคโควิดร <c oughs> หรอกก่อนทำยีเแล้วเราก็ต้องระวังตัวเพราะโรคโควิดเนี่ยระบาดไปทั่วในกรุงเทพเนี่ยเป็นสีแดงเยอะนะแถวๆนี้ก็เป็น น, นะ ที่เสียชีวิตก็มีที่หายแล้วก็มีทำอยู่ดีแล้วฉะนั้นเราต้องขอดูวา <c oughs> ขอ่วมให้ห่างไกลจากโร 19. คโควิดนะขอว่าอย่างนี้อัลลอฮุมะฮินีอัลยุบิกะมินัลบารอสีวลยูนูนีวลยูซามวามินไซลอัสคอมโควิดใส่โควิดไปด้วยโควิด1 9โควิด19 Takut pelautan. Allahumma ini aku jebika minal barosi wal junun, wal judam, wa min sa'il asqam Covid 19. Alhamdulillah. Kabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita membaca Al Quran hari ini sampai ke Surah 38. Surah 38 ayat 11 dari Surah Sos berakhir tepat hari ini. อิจาร้อนนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิแนบเมื่อาอาทิตย์ที่แล้วมันหยุดอาทิตย์ก่อนนี้ไม่ได้ออกที่ที่ทมัสยิดแต่ออกที่บ้านนะครับก็พูดถึงเรื่องอลัลลอฮ์เนี่ยสร้างอลัอลลอฮ์เล่าในคัมภีกุรอานให้ท่านนาบีมุฮัมมัดฟังบอกว่าอลัลลอฮ์เนี่ยสร้างโลกใบนี้นะครับสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้ากลางวันกลางคืน แล้วก็สร้างมลายิกาสร้างยินสร้างมนุษย์ในอายะที่73 74 75 76 77ที่ผ่านมานะครับม า, าทิศเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขอทวนนิดหนึ่งนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าฉันนี่นะสร้างในฮันเต็ก อ, อิมามุสลิมบอกว่า<ม><ม>คุลิกอติลมาลายิกะตุมินนูริน มาเลก้าเนี่ถูกสร้างมาจากรัศมีว่าโคลิคอนจันมินมาลิจินมิน่าแล้วก็สร้างยินมาจากไฟที่ร้อนว่าข้อเราก็ว่ข้อเาก็อาดัมมินมาวอซาฟะล้กุมและอาดัมเนี่ยถูกสร้างมาที่ผู้ท่านรู้แล้วรู้แล้วก็คือสร้างมาจากดิน ไม่มีพ่อไม่มีแม่การสร้างมนุษย์เนี่ยมีอยู่สามแบบนะครับนึงสร้างอาดัมเนี่ยสี่แบบสินะสร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่สองสร้างโตฮาวาภรรยานบีอาดัมผ่านพ่อไม่ผ่านแม่พอที่สามสร้างนบีอินซาอลเนี่ยผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อ แล้วก็ข้อที่สี่เนี่ยสร้างพวกเราวันนี้มีทั้งพ่อทั้งแม่แต่งหรือไม่แต่งให้อีกเรื่องหนึ่งการสร้างของอัลลอฮ์มีอยู่สแบบแตรนี้ถ้าว่าคนนี้ก็เอานบีอินชาเนี่ยมากราบทัวนี้ถามว่าอัลลอฮ์พอใจไหมอัลลอฮ์ไม่พอใจถ้าจะกราบก็ต้องกราบอาดัมสิจะหมายความอาดัมไม่มีทั้งพ่อและไม่มีทั้งแม่ แต่ทุกคนยอมรับว่าเป็นมนุษย์คนแรกของโลกทำตัมนี่ละถ่จการมาจการโตฮาวฮาวาใช่ไหมเพราะผ่านพ่อไม่ผ่านแม่แต่มากราบนาบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยสั่งไว้อย่าให้เกียรติฉันยกย่องฉันแบบที่พวกกลุ่มหนึ่งนะครับ ที่กราบนบีอิสายกย่องนบีอีสากลายเป็นพระเจ้าไปแล้วนบีลยสั่งเอาไว้ยานะนั่นอย่ามองฉันเป็นนบีเหมือนกับนบีอะไรนะนบีอิสานบีฮิสซล่าไม่ได้นะครับอลัลลอฮ์สร้างอาดา ม, มาครับสร้างอาดามเสร็จแล้วอัลลอฮ์สั่งให้อะไรนะให้มาลายิกาคําว่ามลายิกาเนี่ยมันมีอิบลิชไซตตอนอยู่ด้วยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ สั่งให้กราบฟาษาจัดาลมาลาอิกาทุกุนลุ่มอัจมริมนในอายุที่73ม็มเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วนะครับและมาลาอิกาพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ได้นบนอบคำว่าสุญูต ร, ตรงนี้นะ่ะมันสุญูแบบที่เราสุญู ต, ต่ออรรถนนะ่ะไม่ใช่มาถึงนบนอบแต่ใช้ภาษาสุญูเหมือนกันแต่คำแปลก็คือเคารพให้เกียรตินะครับ นบนอกนะครับทั้งหมดยกเว้นอิบลิสนะอิลลาอิบลิสอิสตักบราวากาในมินาลกาฟิรีแต่อิบลิสไม่กระทํามันไม่ก้มลงกราบมันไม่นบนอกมันโอหังและมันอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็ถามบอกว่าอายะที่เจ็ดสิบห้า ยาอิบลิสมาม a n าอาการตั้งดูได้5คนแลัวตับียดไดยะโออิบลิสทำไมท่านจึงไม่ก้มลงกราบแต่เมื่อฉันสั่งท่านอิบลิสมันก็บอกว่าฉันจะกราบอาดัมได้ยังไงข้อที่76ก็จะอนค่อยรุมมินหูฉันเนี่ยดีกว่า ดีกว่า น, นีมันนึกเองนะฉะนั้นศาสนาเนี่ยไอ้เรื่องกับกาบมันนึกเองไม่ได้ฉะนั้นต้องต้องเาลอต้องสั่งหรือว่าผ่านนาบีให้นบีมาพูดว่าใครดีกว่าใครเนี่ยไม่ใช่นะครับอาณาคอยรุมมินหูคอลักตานีมินนาลินพระองค์ได้ทรงสร้างฉันมาจากไฟ ว่ขวลักตาหูมิยงตีนแล้วก็ทรงสร้างอาดัมเนี่ยมาจากดินตาหูมาจากเขาเอาลัลลอฮ์เนี่ยสร้างอาดัมมาจากดินแล้วก็สร้างฉันเนี่ยสร้างอะไรนะสร้างไไตอนอิลสเนี่ยมาจากไฟนี่อลัลลอ์สร้างมาจากไฟจริงจะ่ใครบอกว่าไฟดีก็ดินอะไฟดีก็าดินไม่ได้พี่น้อง ดินน้ำลมไฟไมยู่เสีลรายการบนโลกนี้นะครับทุกวันนี้อลัลลอฮฺสั่งให้ดินน้ำลมไฟเนี่ยอยู่ในระบบที่ที่ไม่ให้มันมีอะไรวุ่นวายมากกว่านี้ถ้าไฟดินน้ำลมไฟถ้าดินเนี่ยมันเกิดไหวขึ้นมามันรอดยอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ลมถ้าแรงกว่านี้เราอยู่ได้ไหมไฟถ้าร้อนกว่านี้อยู่ได้ไหม ดืดวงอาทิตย์ร้อนเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ฉ้าท่นถ้าลมแรงกว่านี้เราอยู่ไม่ได้มนุษย์ละบากหมดถ้าน้ำเกิดน้ำมันท่วมหรือน้ำมันมีปัญหาอะไรก็มือแห้งไปก็ตามมนุษย์เดือดร้อนหมดเลยแลาวร้อนในสังรสี่ประการเนี่ยดินน้ำลมไฟไม่มีใครประเสริฐกว่ากันเพราะเป็นสิ่งมักรูปเป็นสิ่งถูกสร้างจากอัลลอ์ทั้งหมดตอนนี้อัลลอ์ให้สงบอยู่อใหฮมดุลิลล เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์จะได้ไม่ต้องไปกราบอะไรเล ย, เ, ลยเรากราบอัลลอฮ์เจ้าของดินเจ้าของน้ำเจ้าของลมเจ้าของไฟอย่างนี้เป็นตน้นนะครับแล้วก็ต่อมาอายะที่เจบเจ็ดก็ละฟะครุมินฮาฟาอินนากะรอจีมอัลลอฮ์ตัดบอกว่าจงออกไปจากที่นี่ไอ้ออกไปจากที่นี่เนี่ยอธิบายยังไงอ้อออกได้สามแหลง หนึ่งออกจากสวรรค์หรือสองออกจากชั้นฟ้าวันนี้ชัยตอดอิมลีขึ้นบนท้องฟ้าไม่ได้แล้วนะตั้งนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยก็ไม่ให้ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วพอขึ้นฟ้ามันจะไปแอบฟังไปแอบอยู่ที่ก้อนเมฆแล้วอัลลอฮ์ก็ทำอะไนะให้อะไรก็เรื่าแสงมาจากดาวก็ เ, เรว่าดาวตกลงมานั่นเป็นการไล่ชัยตอนอันที่สามนะครับ ออกมาจากกลุ่มของมะลายิกาคาว่าฟักรุษเนี่ยจงออกไปจากที่นี่หนึ่งออกจากสวรรค์สองออกจากชั้นฟ้าสาออกจากกลุ่มของมะลาะยิกาเพราะมะลาะยิกานั้นสู้อยูตอ่ต่ออัลลอฮ์ส่วนอิบลิสไม่ยอมสูอ้อยู่ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยไล่ออกไปแล้วก็ข้อข้อข้อที่สี่เราขึ้นไปแอบไปฟังเรื่องราวของมะลายิกา รับเรื่องรับราวมาจากอัลลอฮฺมริกาก็จะคุยกันนะครับเพราะภาษาเดียวกันอิบลิก็ไปแอฟังอัลลอฮก็ให้อะไรนะก็เรว่าผีพุ่งใต้อ่าเป็นดาวตกเนี่ยเป็นการไล่อะไรนะไล่อิบลิฟไซต์ตอนไม่ให้ขึ้นไปเพลนพันอยู่บนท้องฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาวันนี้อายาที่78 و ิน عليك لعنت إلى يوم الدين و ิน عليك لعنت إلى يوم الدين อั l ลอฮฺบอกว่าอาญาติแสบอัลลอ a ฺกล่าวนะครับเมื่อไล a เสร็จแล้วเราเราบอกว่าอินน عليك แท้จริง <laughs> <laughs> ل ะนาติการละนัดของฉันละนัดนี่แปลว่าการสาบแช่งของฉันหรือการงดความเมตตาของฉันอะไร ก, กับท่านกับท่านเนี่ยมาถึงอิบลิชไชตอนก็ลว่าอินอะไรกัล ะ, ะน า, า, านตแต่แท้จริงการละนัดการสาบแช่งหรือการงดความเมตตา ของฉันนั่นนะครับออกจากคายก็ออ ก, จกใจ่ตรนกี่วันครับอีลยายมิดดินจนถึงวันแห่งการตอบแทนวันในการตอบแทนเนี่ยอธิบายยังไงหมายถึงวันกิยามะวันตอบแทนนู้นนะพี่น้องครับหรือบางบางอายาเนี่บอกว่าวันกิยามะเลย ยาม้กษ์ซาวันคิดบัญชีวันฟื้นคืนคืนชีพจากกูโบเนี่ยให้อยู่ถึงวันนั้นเนี่ยสาบแช่งถึงวันนั้นเลยพิดต้องต้องเข้าใจนีนนะวันลอลัลลอ์สาบแช่งแล้วเนี่ยอลัลลอ์ไม่ทำลายนะจะทำลายก็ตอนไหนวันกียร์มากนู้นท่านคนที่เอานิสยัสยใส่ตอนมาชายเยอะไหมเยอะนะคนที่ไม่กราบ อ, าอัลลอ์ เอาลักษณะชาตอนมาใช้บนโลกใบนี้ขนาดจินนี่ยพี่น้องอิบลสนี่ยไม่สุญญ์ ต, ต่อมา ล, กกาลากอัลลอฮ์สั่งนี่อลาลาัลลอ์ลนาเลยนะอัลาลอ์เล่าให้ฟังว่าว่าอินน่าลายกันละนาตีอิล่ายาวบิดดินอัลลอฮฺอักุบะตเนี่ยพี่น้องขอให้จำอายานี้ให้ให้ใ ห, ให้ให้มั่นใจในสุล ร, ส ร, รอสุดอายาที่เจ็ดจุดสิบแปนีนอันเนี้ยอ่านไปอ่านมาหลายหลเที่ยวนะพี่น้อง ขับไล่การขับไล่การสาบแช่งการละอานนาตเนี่ยจนกว่าจะถึงวันเตียมาเวลาอัลลอฮ์สาบแช่งแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ทําลายนะปรลวิงเวลาเอาไว้ฉะนั้นวันนี้คนที่ทําตัวเหมือนอิบลิษใส่ตอนนี้ไหมมีอัลลอฮ์สาบแช่งทุกวันแต่ยังไม่ทําลายถุงตรงว่ายังอยู่บนโลกดุญญนยาได้ไหมถ้าอ่อ า, านจากอัลกุรอานอยู่ได้ครับ แต่อยู่ได้กี่โลกโลกเดียวถึงวันไหนครับอิลายามิดดีนถึงวันกิยามะถึงวันคิดบัญชีอัลลอฮฺวะถึงวันตอบตอบแทนอ่ะทีนี้คนที่เป็นอิบลิสไ ช, ชตอนเนี่ยแล้วก็คนที่เอานสาิสัยอิบลิสไ ช, ชตอนมาทุกคนพวกเราเนี่ยนะอลัลลอฮฺสาบแช่งผู้วันอย่างฟาโรนี่อลัลลอฮฺสาบแช่งพอตะวันขัดดาตายไปแล้วนะขัดดตายแล้วนะ เป็นมัมมี่อยู่ทุกวันนี้เอาล้อเล่าหนังอภิธรรมอัจฉระอื่นนะ่ะบอกว่าฉันเนีสาบแช่งลดความเมตตาลนลงโทษฟารโร่เนี่ยวันละสองครั้งตะวันขึ้นทีหนึ่งถูกทีตะวันตกทีนึงถูกทีแต่ที่อีปตะวันขึ้นหรือเปล่าขึ้นตกป่าตกนั่นแหละมันอาจจะไม่ตรงกับประเทศไทยอาจจะอะไรนะ เ, เวลามันชาไปหรือไวไปแค่สีสิบชั่วโมงแต่ถูกทุกวันเนหะ็นไหม ทีนี้คำว่ลาละนัดเนี่ยมาจากสัพ์เดิยว่ลาลนะอา้าแต่ว่างดความเมตตาในสุร บ, บักรอบมีผมเช็คอัลกุรอานนะอลัลลอ์เนี่ยละนัดใครบ้างหนึ่งอลัลลอ์เนี่ยละนัดคนที่ปฏิเสธอลัลลอ์แต่ยังไม่ทำลายนะเ้าต้องเข้าใจนะยังกินได้ยังนอนได้ยังมีบ้านใหญ่ๆได้ยังมีรถขับได้ยังมีเมียได้ยังมีลูกได้ยังมีเงินเดือนได้ อัลลอฮ์ยังไม่ทําลายครับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์วันนี้ไม่เอานบีมุ h ั m m a d วันนี้ไม่เอาอัลกุรอานวันนี้ไม่เอาสุนนะนบีวันนี้เขายังอยู่ได้ไหมได้เนี่ยอัลลอฮ์สัญญา ณ, ณานักพีกลอานเอาไว้ไปแล้วก็นบีผู้ใหม่ก็มาขอ อ, อีกอาจจะนั้นคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์วันนี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับมีบ้านอยู่มีที่ดินมีงานทํามีเงินเดือนมีตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้นแต่ให้เฉพาะโลกเดียวนะ ต้องเข้าใจนะให้เฉพาะโลกนี้โลกเดียวถึงวันกิยามะโลกหน้านี่ลองตายดูสิตายแล้วจบแล้วนะพอตายแล้วจบอายะสุดท้ายของของของของของวันนี้นะอายะสุดท้านี่นะตายจะจะเห็นนะครับอาทีนี้เช้าเช้าเนี่ยแบบนี้นะครับพี่น้องเนี่ยารนี่ถูกถูกถู ก, ถกลงโทษถูก ถูกลงโทษตอนเชา้ชาๆพอตะวันขึ้นทีหนึ่งถูกถูกลงโทษทีหนึ่งแต่เราพูดศรัทธาต่อรอดเนะี่ยเดินตามนาบีมูฮัมมัดนบีสอนอย่างนี้นะตอนเชา้ชาๆแบบนี้นะนบีขออัอฮต่อรอดดีมากครับดนะีมากอัลลอฮุมะบาริกลิอุมมัตีฟิบุคูริฮนี่คความรู้เสริมนะอัลลอฮุมะบาริกลิอุมมัตีฟีบุคูริฮา แปลว่าโอ้อัลลอ์ได้โปรดประทานบราระกัตนี่ใครขอนะนบีมุฮัมมัดขอนะโปรดประทานบราระกัดตอนเช้าเช้าให้แก่อุมาของฉันบุกุษตอนเช้าๆช้าพี่น้องตอนเช้าเช้านะเวลากี่โมงอะตั้งแต่อาจานสุบุทรามุสลิมต้องตื่นครับไม่ใช่นอน คนนอนมีไหมมีรอด ล, ลงโทษไหมรอด ล, ลงโทษตอนนี้ยังไม่ลงตัววิ่งเวลาเอาไว้ก่อนแบบไครแบบคนกาแฟทั่วไปแบบไสาตอนนั่นแหละแต่ถ้าลลงตายแล้วสิตายโดลงโทษเลยนะแตนั้นตอนเช้าๆแบบนี้นะครับตื่นขึ้นมาน้ำมาเซลเรกะอ็ะกะอัดสองเราก็อัดก่อ น, น้มาโซนาร์ค่อยๆน้ำมาี่น้องหายใจคูชั่วแล้วก็นมา อะไรนะั้นสุบอีกสองเราก็อัดธรรมานามาที่มัสตีได้ก็ดีดีมากเลยครับพี่น้องแต่ถ้ากลัวก็ไม่ต้องมาเนี่ยชีวิตมีบรกบศครับแล้วคนกาเฟ่พี่น้องตื่นมาเช้าเช้าเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะที่ผมสังเกตผมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นคนกาเฟ่เนี่ยพอตื่นมาขอน้ำชาก่อนขอแะ้วก่อ น, อ น, ก, อ น, นกาแฟก่อนขอบุรีก่อนเราก็มองอยู่อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน อยู่หอพักตึกเดียวกันแต่ชีวิตการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่เ ล, เล่าเล่าเล่าแค่นี้นําบอกว่าฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาต่อเลาะกับคนที่ไม่ศรัทธาต่อเลาะคนที่เชื่อทาตัวแบบใส่ตัเนี่ยอลัลลอห์ละนัดอลัลลอฮ์งดความเมตตาโลกนี้โลกเดียวนะให้เฉพาะโลกนี้โลกเดียววันลัลองตายดูสิ พตาแล้วจะเห็นอะไรหมดเลยจะเสียใจยจะเสียใจยจะร้องไห้เลยอัลลอฮฺจะให้ฉันกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมมาทำอะไรมาเลย์กาถามก็ก็ออกมาจากดุนยาไม่ใช่เหรอแล้วก็ไปอยู่ในอาครอนอยู่ไปยู่ที่กุโบรีแล้วขอกลับไปทํำมาก็ออกมาแผล บ, บเนี่ยแค่สองสามชั่วโมงในขอกลับอีกแล้วเลยบอกขอกลับเพิ่งรู้ว่าคําสอนของนบี เป็นเรื่องจริงกุรอานเป็นเรื่องจริงศาสนาอิสลามเป็นเรื่องจริงอัลลอ์มีจริงไปเห็นที่ไหนเห็นตอนต่อตาเอาต่อมาอายาที่79็อัลลอฮบิฟอุรนีอิลยูมยูบซกอลรอบ ฟังดุรนีอีลายาวมียุบอศูนอัลล้าวอักบอร์อายานีนะ้เตือนพวกเราด้วยอัลล้เล่าให้ฟังว่าเมื่ออิบริษถูกอะไรนะถูกศาพแช่งถูกงดความเมตานี่ยมันทำงายหรือไหมมันรับศาพแล้วมันก็ของขอว่าไงไรรอบบิพระผู้อภิบาลของฉันเอย นี่ใครพูดนะอิบลิสนะลุงน้องด้วยพูดทั้งหมดนดั่นแหละขอเนียรอเล่ า, ล า, ลาแกเอ ก, กพจน์นะรอบอดีแค่ทั้นใครก็ตามนะครับที่เดินตามสายตอนนี่นะถูกหมดฟังรุรนี่แต่ว่าจงโปรดประวิงอรรฟังรุรนี่ประวิงให้แก่ฉันนีแปลว่าฉัน ฟังรุน่นนี้โปรดประวิงให้แก่ฉันอย่าเพิ่งอะไรอ่าอย่าเพิ่ง ง, ง, งดความเมตตานะงดแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งงดอ่าประวิงเวลาให้ฉันหน่อยกี่วันครับอิลายามมยุบอาซูนจนกว่านะครับปวงมนุษย์ถูกให้ฟื้นขึ้น อีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งทรมานฉันอย่าเพิ่งลงโทษฉันประเวงเวลาให้ฉันเนี่ยจนกว่ามนุษย์ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาถึงวันนั้นนี่ใครขอถามว่าใช้ตอนเนี่ยเรวกว่าเราใช่ไหมขนาดเลวกว่าเราเนี่ยเวลามันขอมันขอจากใคร พอจะกันเหรอแต่เรานี่ยนะเป็นมุสลิมด้วยนะดันไปหาตัตะเกียร์เอเรากับไซตตอนใครดีกว่ากันพูดคุยตรงนี้เนี่ยนะใครดีกว่ากันกับเรานี่ไปหาตัตะเกียรตัวตะเกียจะช่วยขอจะอลัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยแต่ไซตตอนนี่ไปหาตัวตะเกียร์บาไม่ได้ไปมันพูดตรงๆเลยกับอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์จะาประเวงเวลา ให้ฉันมีอายุยืนยาวไปจนกว่าจะถึงวันที่มนุษย์ฟื้นขึ้นจากกูโบมันขอตรงๆแ ล, อลอ้อัลลอ์รับเปล่าอายาที่แปดสิบอัลลอ์รับเนะี่ยฉะนั้นเวลาพี่น้องมุสลิมที่อยู่ทั่วโลกอยู่ึงเมืองไทยก็ตามนะอย่าไปขอให้สิ่งอื่นมาช่วยข อ, ขอจะขอจากมนุษย์ด้วยกันนี้ได้ให้มีปัญหาหรอก อ, อิมา ม, มสซิดช่วยขอถวาให้ชันน่อให้ฉันสุขภาพแข็งแรงให้ลูกฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีๆให้ลูกฉันได้แต่งงานกับผู้หญิงอันนี้สั่งกันได้ขอกันได้แต่จะขอจากคนตายได้ไั้มไม่ได้ขอจากคนตายไม่ได้เด็ดขาดเลยใช้ตอนอิบลิสมันขอจากอัลลอฮ์มันขอาว่าไงนะรับบีฆ่าแต่พระผู้อาภิบาลของฉัน ฟังสุนีได้สมโปรดประวิงประวินให้มีอายุยืนยาันีครับอธิบายนะให้มีอายุยืนยาวอีลายามียุบนสุนจนถึงวันที่พวกมนุษย์ถูกให้ฟืน้นึ้นยุบสัสแต่ว่าถูกให้ฟืน้นึ้นโอนี่มันขอนานนะ่ะ <c oughs> <c oughs> มนุษย์คนแรกนะ่ะพี่น้อง <c oughs> ถึงมนุษย์คนสุดท้ายนะ่ะ งงมันขอทางชีวิตมาเลยนะอย่าเพิ่งทำลายฉันปล่อยให้ฉันประวิงเวลาให้ฉันหน่อยจนกระทั่งถึงวันกิยามานุนะครับอัลลอฮ์กล่าตัวลงว่ามันไม่ขอผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นเลยนะมันขอจากอัลลอฮ์โดยตรงเข้าใจนะนี่เราได้ข้อคิดตรงนี้นะอัตอมาอายาตี่ปดสิบกอลฟอินนะกามินัลมุซรีนกอล ฟาอินนักมินัลมุนซอรินอัลลอฮฺตรัสอัลลอฮฺกล่าวกล่าวว่าไงนะฟาอินนักแท้จริงเจ้ามินัลมุนซอรินอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงมุนซอรเป็นผู้อยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเอ้าวฉันประวิงเวลาให้คุณอยู่ไปเลย อัลลอ์ให้ยังครับใส่ตอนนะ่ะมันเลวสุดๆแล้วนะไม่ยังขอจะอลัลลอ์โดยตรงไม่ไม่ขอผ่านสิ่งสักเิษอื่นๆในโลกนี่เตือนมุสลิมนะครับอย่าไปขอผ่านิ่งสักเิษทั้งหลายในโลกขอจกเราตรงๆเลยนะครับในสุราฮิจเร ตอนที่สิบห้าก็มีพูดอธิบายในการบอกว่าก้อลาฟาินนักมินอลโมซอรินุสองอายะในคัมภีร์อุลร้าว่าอัลลอฮ์ at, นน Quran, เนี่ยประวิงเวลาให้อิบเลสเนี่ยมีชีวิตอยู่จนกว่าจะถึงวันฟื้นคืนชีพอายะที่แปดสิบเอ็ดนะครับอิลายยูมินวักติลมาลลูม อีลาเยาว์มิลวัคติมาลุมจนถึงวันอีลาแปลว่าจงถึงยยาวมิลวัคติวันเวลาอัลมาลุมเป็นที่รู้กันแล้วเนี่ยอัลลอฮพูดอย่างนี้พูดให้เราใช้ปัญญานะวักติมาลุมหมายถึงวันเวลาที่รู้กันแล้วให้เราอ่านอันอันออื่นจะจะพบเองอ๋อวักติมาลุม วันเวลาที่รู้แล้วก็คือวันเกียยมัละฉะนั้นมีศัพท์ที่เรียกว่าวัตถมาลูมก็ได้วัตถอิลายามิยุบาูนเรียกได้หลายคำนะครับจนกว่าจนดงว่าวันนี้อัลลอฮประวิงเวลาให้ไหมประวิงเวลาให้คนที่ทำความชัว่วอัลลอฮฺให้เขามีเงินเดือนมีบ้านอยู่แต่งงาน มีรถชายมีตำแหน่งน้นตำแหน่งนี้เต็มไปหมดพี่น้องแต่ให้เฉพาะที่โลกโลกเดียวจนกว่าจะถึงวันฟื้นคืนชีพจบแต่เวลาตายก็จมกันนะพระวิยาณมาถึงก็หอยพับจบาต่อมาครับอายุที่แปดสิบสองโฟะบิอัลลาติกะลาอัลวัน ลาอุห่วยน هم ั ج م ع ي ن ์กลฟะบออิจตาติกาลาอุห่วยนยอัลลอาาดีสิสบไซตตอนมันพูดอย่างนี้นะครับชซตอนมันกล่าวว่าอิบลิดกล่าวว่าไงนะฟาบออิฉันขอสาบาน ด้วยพระนามของพระองค์ของอัลลอฮ์อย่างกับเวลามันสาบานอย่างสาบานกับอัลลอ์เลยเลวกว่าเราตั้เยอะเวลามันสาบานมันสาบานกับอัลลอ์นบีเลยสัง่งร ม, ม, มลสั่งว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ห้ามสาบานกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์ไม่ได้แต่ทนายบางคน ฉันขอสาบานด้วยเกียรติได้เกียรติของทนายมีไหมมีครับนั่นนทาบาปอย่างแรงแต่เอาล้อให้อยู่ยังอยู่ปะจะเหลือมีมนาลากาอยู่สององค์ซ้ายขวานะหน้าหลังอีนาะสี่องค์นะอัลลอฮฺบันทึกหมดเลยให้มลากาบันทึกหมดก็ลาฟาบิอัสลาติกะและมันกล่าวว่ามาถึงไซต์ตอนกล่าวว่าอิบลิษไซตอน ดังนั้นขอสาบานด้วยพระนามของอ AH. ัลลอฮลอูฮวียันนะฮุมแน่นอนฉันจะทำให้พวกเขาหลงอาอูฮฺวียันนะทำให้หลงกี่คนครับอัจมมอยนรวมมนุษย์ทั้งหมด <brushes> รวมมนุษย์ทั้งหมด นี่มันสบายกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ประเวเวลาให้ฉันอยู่ทั้งวันกียวันมาเนี่ยฉันจะล่อลวงฉันจะล่อลวงจะนี่วิธีล่อลวงของสายตอมาอย่างไงมาที่กระสิบกระซาบที่หัวใจอ้อะไรยูวาสบิสุฟิสุดูรินนัสอัลลอฮ์ที่ยูวาสบิสุ a ไซยตอนและยินเนี่ยมันมีหน้าที่กระซิบกระซาบที่หัวใจของมนุษย์เห็นไหยเนี่ยเราเล่าให้ฟังนะ้รับพีกุรังจะนั้นอย่าทำตามใจตัวเองตามทำตามใจตัวเองเป็นการทำตามไซตตอนนะการทำตามใจตัวเองเป็นการทำตามไซต์ตอนขอเล่าให้ฟัง มีวันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลกับท่านอบูบักรอติยัลลอฮวันหนึ่งเรื่องหนึ่งันสรอปีแล้วนั่งกันอยู่สองคนยืนหรือนั่งยืนยืนยืนอยู่ท่านอบูบบอกว่าบอกับนบีว่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นเป็นศัตรูของอิสลามนะชอบด่าพวกเรามันเดินออกจากบ้านนานๆมันก็เดินมาหาเรา นบีบอกว่าเขามองฉันไม่เห็นมมีพูดอย่างนี้เนี่ยนะวันนี้เขามองฉันไม่เห็นหรอกพอเดินมาเดินมาเดินมาก็มาเจอท่านอบูบักแต่มองท่านนาบีไม่เห็นผมมอเลกายืนยืนปลายนะั่งยืนบางเอาไว้มาถึงก็ดา่าท่านอบูบักเลยดา่ดาดา่ดาท่านอบูบักก็ไม่ตอบยืนฟังเฉยๆนบียิ้ม <laughs> ยิ้มนะเพราะว่าไม่ตอบ พอท่านอบูบักถูกด่าเยอะๆก็มันก็ทนไม่ไหวก็ค้นนะนะก็เดินตอบเป็นบางคําพอเดินพอตอบน บ, บีเดินออกเลยท่านอบูบักเห็นน บ, บีก็แค่น บ, บีมากแล้วก็เดินออกตามน บ, บีแล้ก็ถามว่า น, น บ, บีเดินออกมาทําไมน บ, บีก็เล่ามาตอนเมื่อคุณถูกด่าไม่ไม่เนี่ยฉันเห็นมาลายกาเน่ยยืนอยู่ แล้วก็ด่ดาตอบแทนคุณอยู่เมื่อคุณมาด่าเองเนี่ยมาลัยกาก็เดินออกชัยก็เดินออกตามมาลัยกาและไสต์ตอนเข้ามาแทนได้ไหมฉะนั้นการทำตามใจตัวเองเป็นการปฏิบัติตามไซตยตอนอิบลิสค่ะไอกเรื่องหนึ่งมีวันหนึ่งไนาอลีรอลลอฮวันหุกลับมาจากสมครา ระหว่างที่จะกลับนครมาดินา็ได้เวลาก็พักผ่อนตอนกลางวันนะ่ะนะไม่มีโรงแรมต้องนอนอยู่โคนต้นไม้อ่ะก็เอาเอาดาบไปนะ่ะแขวนเอาไว้ที่โคนต้นไม้นอนพักผ่อนซาอุดีนนึกภาพนะร้อนระเย็นร้อนมากครับเมืองไทยเนี่ยโอ้โหกังอากาศกำลังดีมากเลยนะที่ซาอุดีนะั่นร้อนมากครับ สนารีนอนอยู่เนี่ยสตูมมามาก็เอาดาบที่แขวนอยู่เนี่ยจ่อคอเสนารีไม่ย้ำเน่ากัเมเณนเอถ้าฉันจะฟันคุณนะใครห้ามเพราะว่ายัางนั้นก็เนารีบอกว่าอัลละ์เพราะว่าอัลลอฮ์ในดาบที่อยู่ในมือคุณกาเฟนเนี่ยมันหลุดครับพอหลุดตั้สนารีก็หยิบดาบขึ้นมาก็เอาไปจ่อคอเหมือนกัน ก็พูดภาษาเดียวกันก็ไม่ยําเน่ากับเมนเน่ถ้ฉันจะฟันคุณใครห้ามทันใดนั้นนานาลีกาแฟกนนีมันถมน้ําลายใส่หน้าใส่นาลีถมนาลีเอาดาบวางก็บอกฟันสิสนาลีบอกว่าครั้งแรกฉันเหน็บจะทําลายคุณเพื่อ Allah พอคุณถมน้ําลายใส่หน้าฉันในฉันเปลี่ยนความรู้สึกแล้ว ฉันฆ่าคุณเพราะความโกรธท่านเลือกเอาดาบวางใช่ไหมฉะนันการปฏิบัติตามอารมณ์ของเรานะอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหเนี่ยนะอย่าทําเพราะฝุลบุญไม่มีทําตามไซต์ต้อ น, นอ่จาจะนั่นเป็นควับเรื่องนี้เ ร, เ, รเรื่องเรื่องใหญ่มากนะครับจะนั้นมุสลิมบุลุษที่ฟังศาสนาเยอะๆเนี่ยจะต้องนึกถึงไซต์ต้อนเยอะ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมอ่านในฮะดิษพบนะครับเป็นภาษาอุร ด, ดูนะครับยับรุสซออายเกียเพเรเมื่อโกรธเนี่ยควรจะอ่านอะไรถั า, ายิงไอชาเล่าว่าว่าบางวันนะบีไม่เคยพอใจทัยิงไอชาเท่าไหร่นบีไม่พอใจนางนางไม่รู้จะพูดจาจานะรู้แหละพูดไม่มีเช่น ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของนบีอิบราฮีมนี่นางพูดนบีรู้โหกำลังโกรธฉันอยู่แต่วันไหนนบีโกรธนี่นางก็นางนางก็รู้นบีจะเดินมาเนี่ยแล้วก็อ่านนะอุษูุชนก็เอา ม, มือเนี่ย จ, นะจับนะจับจปลายจมูกยิงไอายชาจับจมูกแล้วก็พูดแปล ว, ว่าอัลลอฮุมะรับมูฮัมหมัดอิกฟรฟิลีซัมบี ว่าจะให้โยสกลวีว่าอายิรนีมินบุบลลาติลฟิตันก็ไม่แปลว่าอะไรฉันขอสาบานต่อรบของมหฮัมมัดโอ้เลลอลออภัยโทษในความผิดของฉันโปรดขจัดความโมโหออกจากใจของฉันนี่น บ, บีพูดเองถะนได้เวลาโมโหไปนอ้อง ต้องขอมาต่อรอมีสองประโยคประโยคแรกกล่าวว่าไงนะอาวุสบิลลาฮิมินาชไ์ตอนิรโรจีมอย่าพูดอะไรตามใจตัวเองน้องสบัดอดทนแล้วก็อ่านดูฮาว่าไงอาอุสูญเชแล้วไปอ่าอีกวักหนึ่งอัลลอฮุมมารับบะมุฮัมมัดินอิสฟิลีซัมบีวาสฮิบไวซกอลบีอะโยนี้ก็จะยาวๆอาจจะตามตามให้ทันนะนะ เราอีกฟิลนะิอัพยกรึนะอีกฟิลิซัมบีวัดฮิบไรซ์อโลบีแปลว่าโอ้ Allah โลลปรดอภัยโทษความผิดของฉันให้แก่ฉันด้วยเถิดแล้วก็โปรดขจัดอะไรนะความโกรธออกจากหัวใจของฉันพูดภาษานี้เหมือนคลเหมือนท่านนาบี m u h a ม m a d ผู้ก่อยิงอิชฮะวา ย, วยาฉ่นเป็นคนลกโกรธมาเจะไซตตอนทั้งหมดและะ้วเพราะนั้นอยากให้ไซตตอนมีอิทธิพลเหนือเรากับมีควอมพยายามขอความคุ้มครองจาก พอใชยต่อก <c oughs> ับตัอิลฤตแต่อิลฤตเนี่ยนะครับมันจะอยู่กับคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ตัวเองโอ้โหอักขระฝิกเป็นความรู้นะเอาต่อมาครับอีลายูมิ وقت المعلوم قال فبعزتك لا أغني لهم أجمعين อัลลอฮ์นะชชยต้อนบอกว่า อิบลิสบอกว่าฉัน <c oughs> ด้วยพระนามของอัลลอฮ์แน่นอนฉันจะทำให้พวกเขามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยหลงต่อมาอายะห์ที่83ดิบสาอิลล์ อ, อันนี้ดีมากครับอิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลาซีน อิลลัยบาดากะมินหุมอัลมุคลอสีตรงนี้ดีมากครับยกเว้นยกเว้นอิบอาดากะเบาของพระองค์เบาของท่านมินหุมจากในหมู่ อัลมุคลาซีนมีใจสุจริตมัน่นใจที่บริสุทธิ์ยกเว้นบ่าวของท่านใครที่มีหัวใจที่สุจริตหัวใจที่อัคลาสหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอ์เท่านั้นที่ใสตอนไม่เข้าไปยุ่งโอ้ยังมียกเว้นอยู่นะครับทุเรศนตัวเรนะายกเว้นมีกี่กลุ่มกลุ่มเดียว กลุ่มยหูดียกไหมไม่ยกกลุ่มนาซอรอยกไหมไม่ยกกลุ่มกาเฟต ย, ยกไหมไม่ยกไม่ยกเลยยกเว้นกลุ่มที่ทำงานทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์แล้วก็ตามสุนนะนบีเท่านั้นเยังครับพี่เราใช้ตอนมันไม่ยุ่งอ่านอกด้านมันยุ่งหมดมุ่มินผู้ศรัทธาต่อรออยู่ทั่วโลกวันนี้เยอะนะ คนกรับอิสลางมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยการตับลิกดาวาของพวกเรานี่แหละอัลลอฮ์หัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ทำเพื Allah, ่ออัลลอฮ์ทตามสุนวิธีทำทาตามสุน้ า, า, า, นานาบดุาทำเพื่ออัลลห์วางรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยซตตอนไม่กล้ามายุ่งสบายใจไหมพี่น้องอิลลอฮ์มุลลซีน ก่อนจะถึงอิคลาสเนี่ยเบาอัลลอฮ์นะครั บ, ะะ ก, บกว่าจะมาถึงอิคลาสได้เนะี่ยมันต้องผ่านหลายขั้นตอนนี่ยเอาล้อสรุปให้ฟังนะยินใส่ตอนที่มันรู้นะคนจะมีอิคลาสได้หนึ่งต้องเป็นมุสลิมอ่าหนึ่งต้องเป็นมุสลินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ข้อที่สองเวลาผิดต้องกลับเนื้อกับตัวสามต้อง มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ 4. ต้องรักอัลลอ์ข้อที่ห้าอยากไปสวรรค์ข้อที่หกกลัวไฟนรกข้อที่เจ็ดมั่นใจในอัลลอ์เยอะมากข้อที่แปดทำความดีสม่ำเสมอข้อที่เก้าให้อภัยกับคนถึงจะอิคลาดได้เห็นยังครับ ตัราม่มีอยู่หลายข้อไหมความดีเนี่ยนี่เป็นตัวช่วยหมดเลยนะชายตนไม่กล้ายุ่งนะหนึ่งคนที่เตาบ้าตัวทําอะไรผิดเตาบ้าตัวสองคนที่มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์สมคนที่รักอัลลอฮ์คนที่อยากไปสวรรค์สี่คนที่กลัวไฟนรกห้าคนที่มั่นใจในอัลลอฮ์ที่แปดคนที่ยืนหยัดในอัลลอฮ์ คนที่เก้าคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจไซตอนไม่ยุ่งอัลลอฮ์ให้ไหม่ไปน้องทำด้วยเลยเลยตัวเราก็ไซตอนไม่ยุ่งใครบ้างตง้องต้องนึกเองละ่ะโอ้ใช่มีทั้งหลายข้อนะเจ็ดแปดข้อนะหนึ่งต้องกลับเนื้อกับตัวต้องเป็นมุลมินทําอะไรผิดสารภาพผิดต่ Allah, ออัลลอฮ์มาหมายตนต่ออัลลอฮ์รับอัลลอฮ์อยากไปสวรรค์กลัวนรก มั่นใจในอัลลอฮ์ยืนหยัดในการทําความดีสม่ำเสมอให้อภัยกับคนโอ้โหทําความดีกับพ่อแม่โอโ้มหหมดเลยพี่น้องทําทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์นี่ไนงะชัยตอนไม่กล้ายอยู่ที่นั้นอยู่บ้านวันนี้นะครับให้ทำเจ็ดเจ็ดข้อนะหนึ่งนายาขาดไม่ใช่สิอ่านคูนอ่านก่อนเอ่อ่านคูนอ่านทุกวันสม่ําเสมอสองนามาญขาด สมบริจาคสม่ำเสมอข้อที่สี่ขอดุอาสมา่ำเสมอข้อที่ห้าวิเคราะ์สม่ำเสมอข้อที่หติดต่อกับเครือญาติเราพ่อเรามะเราย่อเรายังมีชีวิตอยู่ทำดีกับเขาไปคุยกับเขาเขาไม่สบายพาไปหามหมอรถติดอุ้มกามคันเลยพี่น้องทําอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลอุ้มเลย แล้วก็ทำดีกับลูกๆอบรมลูกเตือนเตือ น, นลูกแล้วก็ให้อภัยกับคนที่ด่าเราเนี่ยเจ็ดแปดข้อนี่พี่น้องก็จะนำมาซึ่งอิคล่าความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลาใช้ตอนรู้ไหมรู้แต่ท่นคนที่อยู่กับศาสนานี่ใช้ตอนไม่กล้ายุ่งห้ามเดี๋ยลนี้แล้วครับพี่น้องนบีเลยสั่งนะอย่ากโกรธแล้วต้องตอบ อย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธสั่พูดเลี่ยไรเที่ยวนะอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะพอโกรธภาพจะใครเข้าชาตอนเข้าเลยอยงนี้เป็นต้นนะครัอลลบอ Allah Al Bintal s u b h n a l l a h m i Salik Binan อาขอทวาตอองใหเรานาเอาอัคราขอนบีมาใช้เพราะนบีเป็นมารยาทเป็นเป็นนบีที่มีมารยาทงามที่สุดนบีจะบรรจุมารยาทอัลลอฮ์จะบรรจุมารยาทของนบีเนี่ย ให้กับชาวสวรรค์อัคราของนบีมูฮัมมัดเนี่ยสงางาม mm hmm. นะแล้วก็ความหล่เหมือนใครนบียูซุฟในในสวรรค์นะแล้วก็ความสูงแบบนบีอาดัมกี่ศอกรู้ไหมหกสิบศอกไปทั้งหมดเจ็ดปดลักษณะของนบีเด่นๆในโลกนี้นะจะบรรจุคุณลักษณะชาวสวรรค์ให้กับคนที่ผู้ศรัทธาต่อเรา อายาที่8ปสบสครับกลาว فالحق و ا ل ัล أ ق و กลาก فالحق ัก ل มีฮักฮักกี่คำเนี่ยสามคำเอาเนี่ยแปลว่าอะไรอัลลอ์ตรัสว่า ف ا กก ق ดังนั้นนั่นคือความจริง นรกมีจริงสวรรค์มีจริงใซตตอนมีจริงอิบิลิสมีจริงแล้วก็คนที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยมีจริงคนที่กับเนื้อกับตัวนะครับเป็นเรื่องจริงม่อมหมายตนต่ออัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงรับอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยทั้งหมดมาที่เล่ามาทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องจริงวัลฮักกูอากูลู้ อาก r ไม่ว่าฉันกล่าวแต่เรื่องจริงใช่อัลกูแต่ว่าจริงพระองค์ตัดว่าดังนั้นนั่นคือความจริงว่าอวัลฮกูอากูจะฉันกล่านเป็นเรื่องของที่อาล่อเล่าผ่านนีเ็เรื่องจริงทั้งหมดเลยครับพี่น้องทงว่าไซตันมีจริงนรกมีจริงไซตอนขอรัว ให้วณเวลาถึงวันเที่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันขอมันจะหล่อร่วมมนุษย์เป็นเรื่องจริงอัลลอฮ์ประเวณเวลาให้ก็เป็นเรื่องจริงจริงหมดเลยครับฉะนั้นศาสนาอิสลามเป็นความจริงศา ส, สนาอื่นอัลลอฮ์ไม่ได้พูดอัลลอฮ์ไม่แตะด้วยอัลลอฮ์แต่ว่าศาสนาอิสลามที่ผ่านนาบีมุฮัมมัดผ่านยิบรีนผ่านฉันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดสบายใจไหมอัลฮัมเดลายวสบายใจไปเน เอารอไปน้องโควิดนี่น บ, บีพูดยังไง ร, รู้เปล่าใครที่ตายเพราะโรคโควิดหลังจากรักษาตัวแล้วนะดูแลตัวเองแล้วปลอดภัยแล้วนะครับปิดตุนปิดนี้แล้วทรงรักษาตัวแล้วถ้าไม่ตายถ้าเขาป่วยแล้วตายตายอะไรนะตายชัยเหตผลบุญเท่ากับผ ล, ลบุญตายชัยเหตุเห็นยังครับที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมด ของที่นบีพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละดูน้องเอาขอาที่นบีพูดทุกๆก้าวที่เดินมามัสยิดก้าวหนึ่งอะไรนะเพิ่มรางวัลอีกก้าวหนึ่งลดโทษเป็นเรื่องจริงครับเข้ามัสยิดนะครับได้เท้าขวาอ่านดวงอาเป็นเรื่องจริงครับพอเดินเข้ามาเนี่ยมีทุกอาอ่านดีนะเป็นเรื่องจริงครับยืนตั้งแถวในซอฟแรกเป็นเรื่องจริงครับ สายตาของคนที่นมาให้มองสามที่ท่ายืนให้มองที่สูญุดเวลาลุกขั้วมองที่ปลายเท้านั่งอัตไหยาบมองที่ปลายนิว้วเป็นเรื่องจริงทั้งหมดของที่นบีสอนเป็นเรื่องจริงฉะนั้นใครที่แอนติซุนนักขาดทุนนบีก็พูดอย่างนี้นะอุมมะฉันเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเท่าไหรเจ็ดสิบสาม กลุ่มมะฉันนะ่ะจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆๆๆๆๆๆๆๆเป็นเจ็บสามจำพวกนะ่มีอยู่พวกเดียวสวะฐานและพวกไหนได้ไปสวรรค์ น, นบีตอบเองมาอานะอาลัยฮุอาสตาบีกลุ่มที่ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่ฉันสอนที่ปฏิบัติในวันนั้น และสัฮาบะนบีที่ปฏิบัติตามนบีกลุ่มนั่นแหละเป็นกลุ่มที่ดีแล้วก็ปลอดภัยที่สุดรองนั่นผิดหมดเลยใช่ไหมมีกุรานมีนบีเป็นแบบปลอดภัยไหมปลอดภัยลมำเล่นๆไปครัขอคุยนิดหนึ่งท่านอนที่ดีที่สุดท่าไหนครับนอนตะแคงอะไรตะแคงขวารู้ปล่ากลางคืนนบีอาบน้ำน้ำมานหาครั้งหนึ่งน้ำมัมกรบ สอมอามนำนมานมดอิจฉาสามอามน้ำนมานนมาดก่อนนอนสีอามน้ำนมาดตะหัยุดธห้าอามน้ำนมานนมัดสุบโบรู้ไหมอามนำนมดตั้งหาครั้งคืนหนึ่งอะแล้วเราอ่ะกี่ครั้งคิดเองคิดเองคนที่เราขึ้นนมาดตะหัยุดแน่นอนแล้วก่อนนอนบางคนเฮสุนทรนบีจริงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่กูอานสบายไห ฟันฮักกูวันฮักกูอากูของที่ฉันพูดที่ตาบีพุทธมดพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดกับปัลฮัรมโดยเดียวใครแอนตี้เธอเนี่มีปัญ ห, หากับต่อมาครับ85ดาละอัมละอันนะเจ้ันามามิงกะวะมิมมันตะบิฮะก็มินฮุมอัจมาอิน ละอัมละอันนะจัฮันนามะมิงกะว่ามิมันต์ตบิอากะมิ่นฮุมอัจม اع ีนอัลลอฮฺยาลิกุลวกับอินาดูคำแปนะละอฉันจะเติมให้เต็มละอัมละอันนะมาละอาแปลว่าทำให้เต็ม แต่อะไรครับย a h r น n นำอะไร <c oughs> ไฟนรกเป็นเรื่องจริงของที่อัลลอฮฺตัดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดของที่ผ่านนบีเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไปน้อนกับเรื่องโกหกไม่มีกับคนที่แอนตี้นะ่ะขาดทุนนะแต่อัลลอฮฺยังไม่ให้เขาเห็นความขาดทุนบนโลกลุนยาบปนี้ไปเห็นตอนตายมันไปน้องละอัมละอันนะย ahren นำ ม, มิงก์ แน่นอนฉันจะเติมนรกให้เต็มมิงกัด้วยด้วยด้วยเจ้าด้วยไซต์ตอนจะลงมาไซต์อนตกนรกไหมตกครับอิบลิสตกนรกไหมตกครับละใครตกอีกครับว่ามิมันและผู้ที่ตาเบียรกะตามท่านอัลลอฮ์แสบไหมคนที่ตามอิบลิสตามใซ่ตอนไห็นไหม ถ้าท่านคนที่เดินตามไสต์ตอนทั้งหมดไปนรกหมดถ้าคนที่เดินตามนาบีไปสวรรค์หมดเดินตามอัลกุรอานไปสวรรค์หมดตามสุนานะนบีไปสวรรค์หมดถ้าเดินตามไสต์ตอนไปนรกหมดมินหุมจากพวกเขาอาจมายินตะวารวมทั้งหมดเห็นไหมไม่ยกเว้นเลยอะเขาเขาแ ม, ม่ไหมไม่เอาเรื่องไปฟังพ่อสอนแล้ว แต่คนที่เดินตามไซา์ตอนเดินตามอิบลีสเท่ากับเดินตามอารมณ์ตัวเองจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามในโลกนี้มีรู้กี่ร้อยกลุ่มกี่พันกลุ่มแต่น บ, บีพูดแล้วนะกลุ่มฉันที่เป็นมุสลิมเนี่ยแบ่งออกเป็นเจสบสามกลุ่มทั้งหมดตกนรกหมดเพราะเดินตามไซตตอนอิบลีสนี่อยู่ยกลุ่มเดียวมาอันอะไรว่า a s h าบ i สิ่งที่นบีปฏิบัติในวันนู้นนะอยู่ในบันทึกฮะดิษเต็มไปหมดอยู่ในคัมภีร์อุปนและบรรดาสอฮาบะที่ปฏิบัติตามนาบีนั้นปลอดภัยกับเราก็พยายามที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่นบีสอนปฏิบัติในวันนั้นถึงจะถูกน้นถูกนี้ต้องอดทนไปเนอะอย่าไปเต้อตอบแล้วก็มีฮะดิษกนะอิคิลาฟอุมะตรมะ b okay. <laughs> <laughs> ma a h a s a u dua w nihayat d a i f h a d i r n i ke,kan k h a t y a n g k a n na'umah k o n g c i a n b e n kaametah. Dah dengar tak? i k h t i l a fu'umati m rahmah,kan k h a t y a n g k a n b e n perlu a n g di. Tengah a s a u dua nihayat d a i f b e n h a d i r s u a ke, sult. l e a s kemal-mal dua,duit tak sampai nabi,bermashyakat nabi. nabi. Allahumma na rabbiyalamin. เอาไปอายะที่86กนะครับคุลมาอัสอาลุกุมอัลัยฮิมินอัจรินว่ามาอะนาไมนัลมุตะกาลีฟินวันนี้อายะสุรานี่ยาวเน้นะสเปทยาธรรมดาแปดกนะคุลมาอัสอาลุกุมอัลัยฮิมินอัจริน วามาอะนาไมนัลมุตากลีฟินเนี่ยลลดเปลี่ยนเพื่อนเรื่องพูดมวามาเดอจงประกาศมาอัสอลุกุมมาแปว่าไม่ได้อัสอลุกุมขอพวกท่าน อะไรเพื่อการนี้มินอัจรินรางวัลตอบแทนที่นบีมาสอนสอนสอนสอนสอนทั้งหมดในนครมักกะกับฮิมารีนา23ปีนี่ น, ะนบีไม่ได้ขอรางวัลตอบแทนค่าเหนื่อยจากมนุษย์เลยแม้แต่คนเดียวไม่ขอค่าตอบแทนใดๆจากพวกท่าน ที่พรท่านแอนตินาบีไม่ให้นาบีอยู่ในนครมักกานึกถึงเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่มาณีเราพูดแล้วว่าอบูยฮันเนี่ยตกนรกใช่ไหมพอตกแล้วก็มองดูบิล่านอยู่ไหนสะัลมานฟาริซีอยู่ไหนคนจนๆที่รับอิสลามสมัยนาบีน่อยู่ที่ไหนไม่เห็นในนรก ทำต่อมาอยู่ในสวรรค์ชันฟิลดาวแล้วจำได้ใช่ไหมฮะเห็นยังครับเป็นเรื่องจริงคนที่ปฏิบัติตามนาบีได้ไปสวรรค์จริงซอบ้านนบีได้ไปสวรรค์จริงพี่น้องแล้วก็เนี่ยอลัลลอฮ์เล่าให้นบีประกาศที่นบีมาสอนเนี่ยนะนบีไม่ได้ขอรางวัลจากใครเลยนะว่ามาอะนามีนัลมูตะกันลีฟิน และฉันเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ปั้นเรื่องเท็จหรือผู้หลอกลวงนบีไม่เคยหลอกลวงใครครับมุตะการลิฟต์เ ผ, ผู้ผู้หลอกลวงหรือว่าผู้บังคับก็ได้ไม่เคยบังคับใครให้นับถือศาสนาอิสลามไม่เคยหลอกลวงใครไม่ไม่เคยปั้นเรื่องเท็จมาสอนไม่มีนะครับทั้งหมดนั้นเป็นวะฮยที่มาจากอัลลอฮ์หมดเลยครับในสุราอื่นอธิบายว่าที่ท่านนาบีมาสอนต้องการให้คุณเนี่ย ติดต่อรักใคร่คําสอนของนบีเพื่อให้รักใคร่กับญาติพี่น้องของคุณคําสอนของนบีนั้นคุณต้องติดต่อกับพระผู้อภิบาลของอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นคําสอนของนบีไม่เคยทําให้คุณเนี่ยทลายศต่อรอดไม่มีให้ท่านทั้งหลายเนี่ยยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็รักพี่น้องของคุณครอบครัวคุณดูแลครอบครัวให้ดีอย่าทลายญาติพี่น้องตัวเอง นี่เป็นความรู้ที่ฐานท่านนบีปรัมาทหมดเลยนะครับต่อม า, อายาที่แปดสิบเจ็ดอินหัวอิลลาซิกรุลิลอาลามินอินหัวอิลลาซิกรุลิลอาลามินอินแปลว่ามันไม่ใช่อื่นใดหัว คือนบี ม, มุ hammad ที่สอนสอนสอนสอนีนั่นไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อื่นใดอิลานอกจากเป็นฤิ์รุนเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อตักเตือนเห็นไหมนบีคําสอนของนบีที่ออกมาจากปากนาบีแต่ละคำแต่ละคำถูกบันทึ ก, กในหะดิษหมดเลยครับ ไม่มีอยู่ในอากาศก็ได้อยู่ในันทอยู่ในหัดีิสบุคลีมุสลิมตินมิรีนัสไธอิบนุมาาัจอัลลอ์อยู่ในหัตีิบันทึกทั้งหมดไปน้องค่อยๆอ่านไปจะเจออะไรแต่เยอะมากและโุราณทั้งเล่มเนี่ยเป็นวะฮีผ่านนบีเป็นวิเกตเป็นข้อเตือนใจลิอไไไลอัลมีนรว้แปลว่าอะไรแก่ชาวนานาชาชาวโลกทั้งหมดไม่ใช่อรับเห็นยัง ไม่ใช่เอเชียเป็นนานาชาติครับอาลัมยูนิเวอร์สพน้องใครก็ตามอยู่ในโลกนี้ต้องการที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เดินตามนาบี m u ปลอดไัยหดเลยฉะนั้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสากลครับศา ส, สนาอื่นเราไม่แตะอายะสุดท้ายครับวะลาตาลาโมนนะ Nabahu b a d a h i n ayat ni y a n a k keluar. w a l a t alamun n a b a nabahu b a d a h i n antik i a o na. w a l a t alamun nabah a h u b a d a h i n Allahnya ayat ni y a n a k kuat isut. w a l a t a l a m u n a a l i m a bahwa สูเจ้าจะได้รู้สูเจ้าจะได้เห็นสูเจ้าจะได้เห็นอยู่บนดุนยานี้นบีสอนทารายไม่มีใครเชื่อพราะไม่มีใครเห็นวันเกียร์มาสอนไม่มีใครเชื่อกุรานเป็นเรื่องจริงไม่มีใครเชื่อสุ น, น่านาบีเป็นเรื่องจริงไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเห็นนาบาอูแปลว่าเรื่องราวที่นบีมูฮัมมัดสอนยีาปี จะได้เห็นของที่น บ, บีสอนสิบสามปีนครมักกะมปีมารีนาอีสปีบาดะฮีนิหววหนหลังจากชั่วเวลาหนึ่งคุณจะได้เห็นจะได้รู้คำสอนของนบีนั่นเป็นเรื่องจริงหลังจากบาดะฮีนินหลังจากช่วเวลาหนึ่งหรือเปล่าช่วเวลาหนึ่งเนี่ยอุลมามะอธิบายยังไง บาดเจเมาดหลงังตายบาดเจเมาดหลงังตายวิญญาณออกจากร่างปับ๊บเห็นหมดเลยครับพี่น้องอันไ่นนเชืตายดู <laughs> พอวิญญาณออกจากร่างปับ๊บอา ย, ยาอิสลามเนี่ยสุนนะนบีนี่ยมาเรื่องจริงเนี่ยอัลลอฮ์กุรอานเป็นเรื่องจริงนบีมุฮัมมัดมาจริงอยู่ที่มักกะสิบสามปีจริง สิบปีที่เขาไม่นัดจริงอัลลอฮฺอัลลอฮตายจริงอัลลอฮ์มีจริงนรกมีจริงมาลายกามีจริงมาสามนากูบบจริงหมดเลยครับพี่น้องตอนไหนวิญญาณหลังจากลาเห็นยังครับเนี่ยตรงนี้หน้าบัวที่สุดในกรุงอัลอาญาอื่นเขาจะไปยางนี้นะครับ ลักพาเด็กคนทั ed, ้ฟีกัฟลาติมินฮาดาฟักอัชฟนาอังกะริควาอัคกับบัคกุกัลยาวมะฮัดีดในสุราคอบอายะที่สุรที่ห้าเศษอายะที่ยี่สิโดยแน่นอนยิ่งเจ้าขณะนี้น่ะเฉยเมยคำสอนของนบีมูฮัมมัดทั้งหมดเราจะได้เลิกมาแห่งความเมยเฉยเฉยเมยออกจากเจ้า ดังนั้นอะวันนี้สายตาของคุณจะคมกริบเข้ามาถึงความตายพอตายมาปั๊บเห็นหมดเลยอาญาตายจริงอัลลอฮฺมีจริงมุฮัมมัดเป็นเรื่องจริงศาสนาอิสลามเป็นเรื่องจริงตายแล้วเกิดอัลลอฮฺจะขอกลับไปมีชีวิตใหม่บนโลกดุนยามาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมขอมาเลกามาเลกาถามอ้างขอออกมาจากดุนยาแผลบแล้วเนี่ยแล้วมันขอกลับไปทำไม เพิ่งรู้ว่าอิสลามเป็นเรื่องจริงศาสนาเป็นเรื่องจริงกุณอ่านเป็นเรื่องจริงสุนันบีเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับัลลอฮพน้องครับอัลลอพน้องเห็นอย่างครับฉะนั้นนะบดไฮในในในทับซีอิบนกะซีมีบบาวีมีมาดาริกมีกชาแปลว่าบาเดลมาทหลังตายบดไฮคมายั บ้าดันมาหลังวิญญาณออกจากร่างเพราะออกจากร่างปั๊บเห็นเลยถึงฟาโร่อะฟาโร่เนี่ตอนที่จะจมน้าตายยังออามั่นตัฉันเชื่อแล้วพระผู้อภิบาลที่มูซาสอนที่พูบ้บริสุอิสลามเชื่อฉันเชื่อแล้วว่าอลลอตมีจริงพูดทําไมล่ะเพราะความจะมาเพราะความตายจะมามเห็นหมดเลยไงพี่น้องเอามาเชื่อล้างตาดูสิ เห็นหมดเลยครับพี่น้องแล้วก็เสียใจนะอายาชาดิปฏิเสดอิสลามปฏิเสธทาไมนะอิสลามเป็นเรื่องจริงฉะนั้นคุณจะได้เห็นในไม่ช้านี่หมายถึงวาวิญญาณออกจากร่างปั๊บยังไม่นอนยังไม่แบบปฏิกูโบนะบนที่นอนคุณนั่นแหละพี่น้องเห็นหมดเลยอ่ะอายาตายจริงอลัลลอฮ์มีจริงอิสลามเป็นศาสนาจริงกูอ่านเป็นเรื่องจริงสุนนนบีเป็นเรื่องจริงพูดเลย n a u d z u b i l a j a r ini, b a l a j a r itu nak. Oh, tolonglah Islam s e b a j a i kan? Ah, angkut, a a sebacai u h n a k a a l l h u t sabajai. b e h a p a berapa j a g h f i r u a p a l a i m